จะแก้ปัญหากลิ่นตัวเหม็นมากได้อย่างไรถามผมเป็นคนมีกลิ่นตัวเหม็นมากและคงทำกรรมมาไม่เช่นน้อยเพราะเมื่อใช้โรออนก็จะแพ้พอไม่ใช้ก็ยิ่งเปรี้ยวหนักขึ้นไปอีกอันนี้มีสาเหตุจากกรรมข้อไหนและขอคำแนะนำในการแก้กรรมด้วยครับตอบ เป็นมนุษย์นั้นถึงไม่ทำกรรมร้ายเป็นพิเศษร่างก็เหม็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับที่พวกเราเดินเหินออกไปพบปะสังสรรค์กันได้ทุกวันนี้โดยไม่เหม็นเขียวหน้ามืดตายก็เพราะได้ตัวช่วยคือสบู่ยาสีฟันและแชมพูนั่นแหละเรื่องทางกายหรือที่เกี่ยวเนื่องกับกายอย่างเป็นรูปธรรมนั้นอย่าไปเหมาว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าจากอดีตชาติซะทั้งหมดนะครับ พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บอาจเกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศการขาดกายบริหารการหักโหมงานเกินกำลังและถึงค่อยมาว่ากันเรื่องของวิบากกรรมกลิ่นตัวก็ทำนองเดียวกันคุณอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีอาบน้ำน้อยไปใช้สบู่ที่ออกฤทธิ์ทำความสะอาดน้อยหรือกระทั่งใช้โรออนที่มีผลข้างเคียงในทางลบ คือพอสั่งสมสารอะไรที่เป็นส่วนประกอบจนหมักหมมแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เสเองเรื่องของรู ป, ปรธรรมก็ทดลองเอาสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมมาแก้ก่อนเพราะรู ป, ปรธรรมย่อมมีอิทธิพลกับรู ป, ปรธรรมด้วยกันได้ตรงๆงและรวดเร็วทันตาในขณะที่นามธรรมนั้นกว่าจะมีอิทธิพลกับรู ป, ปรธรรมได้ไม่รู้ต้องรอนานแค่ไหน เมื่อไม่นานมานี้พักพวกเพิ่งให้ความรู้กับผมว่าแอลกอฮอลธรรมด า, รรมดาก็สามารถนำมาระงับกลิ่นตัวได้อันนี้ไม่ใช่ยาผีบอกนะครับไม่ต้องเตรียมขิงขาฟักแฟงแตงโมอะไรทั้งนั้นเอาแค่แอลกอฮอลเจ็สิเอร์เซ็นำหรับฆ่าเชื้อโรคที่หาซื้อได้ถูกๆจากร้านขายยาทั่วไปนี่แหละนำมาใส่ขวดสเปรย์ฉีดตามซอกต่างๆทั่วร่างจะเป็นรักแร้ขาหนีบ ต้นคอฝ่าเท้าหรืออื่นๆที่ส่งกลิ่นรบกวนคุณและคนใกล้ตัวก็ช่วยได้ทั้งนั้นเท่าที่ฟังจากตัวอย่างคนมีปัญหาเรื่องกลิ่นก็ได้ผลกันดีและได้ผลตั้งแต่เมื่อใช้ครั้งแรกเลยซะด้วยอย่างน้อยที่สุดเสื้อผ้าไม่สะสมแบคทีเรียเว้นแต่จะเหงื่อออกมากตากแดดเกือบทั้งวันอย่างนั้นก็คงเอาไม่อยู่นะครับ การอาบน้ำบ่อยๆใช้สบู่ที่มีฤทธิ์กาจัดแบคทีเรียแรงขึ้นก็น่าจะมีส่วนช่วยได้มากเหมือนกันหากหลายคนยังไม่เคยทดลองนะครับลองหามาใช้อาจได้ผลมาว่ากันเรื่องบุญธํากรรมแต่งลองสังเกตเล่นๆนะครับว่าวาจาของแต่ละคนเหมือนจะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือบางทีคุณยังไม่รู้หรอกว่า กลิ่นปากของเขาร้ายกาจขนาดไหนรู้แต่ว่านึกถึงการพูดการจาของเขาที่ไรจะรู้สึกยี้ๆแย่ๆราวกับมีคลื่นความเหม็นลอยออกมาจากปากเขากระทบใจคุณก็ไม่ปานอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสจําแนกไว้กว้างๆเหมือนกันครับว่าบางคนพูดได้เหม็นเหมือนอุจาระบางคนพูดได้หอมเหมือนดอกไม้ และบางคนพูดได้หวานปานน้ำพึ่งสำหรับคนพูดได้เหม็นเหมือนอุจจระคือพวกที่ชอบอวดอ้างไม่รู้ก็บอกว่ารู้หรือใครถามเอาความจริงแล้วทั้งรู้ก็แกล้งบอกว่าไม่รู้สรุปง่ายๆคือแม้ทราบแก่ใจว่าความจริงเป็นเช่นใดก็บิดเบือนให้เป็นอื่นซะอาจจะเพราะเห็นแก่อามิสินจ้างหรือเอาประโยชน์เข้าตัวเข้าพวกพ้อง สำหรับคนพูดได้หอมเหมือนดอกไม้คือพวกที่เป็นตรงข้ามกับข้างต้นไม่มายากแกล้งอวดไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือถูกถามเอาความจริงใดๆถ้ารู้ก็บอกว่ารู้สรุปง่ายๆคือเมื่อทราบว่าความจริงเป็นเช่นใดก็พูดไปตามนั้นโดยไม่บิดเบือนสำหรับคนพูดได้หวานปานน้ำผึ้งคือพวกที่เว้นขาดจากคำหยาบ พูดแต่วาจาที่ไม่มีโทษภายาะเพราะหูเป็นที่รักเป็นที่จับใจเป็นที่พอใจข้างต้นเป็นกรรมทางวาจาอันส่งผลให้เกิดกลิ่นทางความรู้สึกซึ่งเมื่อทำความเข้าใจและไตรตรองจากความจริงที่พบพบกันก็คงเห็นว่าเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกรรมทางวาจาย่อมให้ผลใกล้ ที่เกี่ยวกับกลิ่นปากมากที่สุดขอให้แยกเป็นความรู้ในขั้นหนึ่งก่อนนะครับวาจาเป็นอย่างไรกลิ่นปากก็เป็นอย่างนั้นบางทีเห็นผลกันไวในชาตินี้ซะด้วยผมเคยรู้จักอยู่คนหนึ่งที่แรกไม่เห็นมีกลิ่นปากแต่อยู่ๆไปฉัไหนส่งกลิ่นอย่างรุนแรงอธิบายตามหมอฟันก็อาจได้เหตุผลอย่างหนึ่ง แต่ถ้าประกอบคำอธิบายง่ายๆว่าเขาพูดจาเหม็นๆเห็นแก่ตัวให้ร้ายคนอื่นเพื่อเอาเข้าตัวบ่อยๆปากก็เลยเหม็นตามวาจาอย่างนี้รู้สึกว่าจะชัดเจนครบถ้วนขึ้นในพระไตรปิฎกเคยมีการไถ่าถามกันว่าพวกที่มีกลิ่นเหม็นร้ายกาจผิดปกตินั้น เป็นเพราะไปทำกรรมเช่นใดมาผู้รู้ท่านก็ตอบว่ากรรมอันพัวพันกับความโลภโกรธหลงนั่นแหละต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นการพูดเท็จการโคดโกงการประทุษร้ายมิตรการเป็นคนตรนีความเย่อหยิ่งความริษยาความมักได้ความลังเลการเบียดเบียนความเมาเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความเป็นผู้มีกลิ่นร้ายทั้งสิ้น พูดให้ง่ายคือถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้กลิ่นร้ายครบสรร พ, พคุณใครอยู่ใกล้เป็นทนไม่ได้นั่นแหละเสริมอีกนิดหนึ่งกลิ่นอันหน่ารังเกียจของบางคนนั้นมาในรูปแบบที่ประหลาดคือแค่เห็นคุณก็รู้สึกตุตุชอบกลได้เรียกว่าเห็นแล้วนึกรังเกียจได้กลิ่นแล้วเอียนๆอย่างบอกไม่ถูก อันนี้อาจเกิดจากผลกรรมของความเป็นผู้มีเบื้องหน้าธรรมะธรรมโมแต่เบื้องหลังมีใจคิดคดทุจริตสอนคนอื่นเป็นคุ้งเป็นแควแต่เบื้องหลังตนเองกลับไม่เคยทำอย่างที่เคยสอนใครๆเป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะธรรมะเป็นของสะอาดพอมีอะไรแปดเปื้อนก็เลยส่งกลิ่นฟ้องชัดการกล่าวคาอันปราศจากสติเพเจอร์ ger, หลักลอย มักใส่ใคล้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริงพูดโน้มน้ำผู้อื่นให้เลื่อมใสในทางมิจฉาทิฏฐิเช่นกรรมไม่มีวิบากไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเพียงเพราะเหตุคือเขาอยากจะปักใจเชื่อเช่นนั้นตนเองก็ไม่มีหลักฐานอันแข็งแรงใดๆไว้อ้างอิงแต่กลับพยายามพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามดูถูกดูหมิ่นพวกที่เชื่ออันนี้เท่าที่พบ ก็มักเกิดกลิ่นน่ารังเกียจทันตาไม่ต้องคามชาติได้เหมือนกันและเท่าที่สัมผัสพวกชอบว่าร้ายส่อเสียดตามอารมณ์โกรธบ่อยๆนั้นเวลาเหงื่อออกแล้วเริ่มส่งกลิ่นตัวก็จะเหม็นฉุนเฉียวเหมือนมีดแหลมเสียดแทงจมูกลองสังเกตแล้วกันว่าเป็นจริงไหม กลิ่นก็เหมือนกับวิบากอื่นๆที่มีกรรมอันเป็นต้นเหตุได้หลากหลายเช่นที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นก็มีตัวอย่างของคนลักของหอมดอกไม้และเครื่องรูปไล้ไปทิ้งลงซ้วมเท่านี้ก็เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นกายได้พูดให้ง่ายแบบรวมๆคือถ้าศีลห้าไม่ดีก็มีโอกาสเกิดใหม่เป็นคนเหม็นๆไปทั้งชาติต้องพึ่งพาเครื่องช่วยดับกลิ่นมากกว่าคนอื่นเขา ขอให้สังเกตว่าคนเกิดมารูปงามมากๆมักมีกลิ่นหอมคือรูปกายกับกลิ่นหอมมาด้วยกันทั้งเพราะศีลสัตว์นี่เองครับกล่าวมาทั้งหมดคงสรุปว่าถ้าอยากแก้เรื่องกลิ่นด้วยวิธีทางนามธรรมก็ต้องอาศัยทานและศีลนี่แหละเช่นลองถวายทูบหอมพร้อมเครื่องสังฆทานดูครับ หรือจะเจาะจงไปถวายในสาราที่พระท่านประกอบกิจของสงฆ์โดยตรงก็ได้เพราะทูบนั้นเมื่อจุดแล้วจะได้กลิ่นหอมฟุ้งทั่วเป็นที่สบายและเหนี่ยวนำกุศลจิตให้เกิดขึ้นง่ายในที่ชุมนุมของงานบุญทั้งหลายเรียกว่าเราทำเหตุอันได้ผลชื่นใจกับคนไม่เลือกหน้าทั้งพระเนนชีและอุบาสกอุบาสิกาครวะก็ย่อมได้ผลใหญ่ และรวดเร็วตอบแทนการทำบุญเพื่อให้ได้ผลตามปรารถนานั้นก่อนอื่นคุณต้องมีความเข้าใจว่าของที่ถวายพระหรือของที่ให้แก่คนและสัตว์ทั้งหลายนั้นมีดีอย่างไรให้ผลอย่างไรในที่นี้ใจคุณต้องจับกลิ่นหอมและยินดีในกลิ่นที่น่าชื่นใจนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อซื้อทูบรวมกับของสังฆทานอื่น และจะได้อนิสงนี้ขอให้ทำความเข้าใจกับความรู้นี้ดีๆหากคุณไม่เคยได้กลิ่นทูบหอมหรือเคยได้กลิ่นแต่ไม่ยินดีชื่นใจหรือยินดีชื่นใจแต่ไม่หวังให้เกิดความชื่นใจแบบเดียวกันในผู้รับ <c oughs> ก็จะไม่มีพลังบุญเกี่ยวกับกลิ่นให้นำมาอธิษฐานขออนิสง์ได้ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะถ้าคุณซื้อทูบหอมอยังไม่เข้าใจประโยชน์ของทูบหอมจิตคุณจะจับทูบโดยความเป็นวัตถุที่ตาเห็นว่านั่นคือหนึ่งในเครื่องสังคทานพูดง่ายๆว่าใช้ตาในการจุดชนวนให้เกิดกุศลละจิตคิดเป็นทานเท่านั้นเมื่อคุณไม่ได้ใช้ประสาทจมูกหรือความทรงจำเกี่ยวกับกลิ่นเป็นตัวตั้งบุญก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไปในทางที่จะให้อนิสง์เกี่ยวกับกลิ่นสําคัญต้องถวายบ่อยๆด้วยนะครับไม่ใช่ทีเดียวแล้วจะเกิดผลคิดง่ายๆก็ได้ว่าถ้าถวายหนึ่งครั้งยังไม่ติดยังไม่ชินกลิ่นบุญยังไม่ขึ้นใจก็ยังเอามาเป็นหลักตั้งในการอธิษฐานไม่ได้แต่ถ้าหากถวายทูบหอมให้ศาลาวัดเป็นประจำแถมคุณได้ไปร่วมสวดมนต์ทําวัดเช้า หรือทำวัดเย็นกับพระและคารวะ ด, ด้วยพอได้กลิ่นธูปหอมของคุณเองจนเกิดความปลื้มใจในทานก็จะมีโอกาสให้ผลค่อนข้างทันตาทำทานกับสมณะนั้นให้ผลเร็วนี่เป็นกฎธรรมดาไม่ใช่ใครวางกฎลาเอียงไว้ด้วยอคติใดใดหรอกเมื่อทำบุญเกี่ยวกับกลิ่นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นธูปหอมและไม่จากัดว่าจะต้องทาเฉพาะที่วัด ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์หวังโน้มน้าวจิตคนรับกลิ่นให้ตั้งมั่นเป็นกุศลโดยธรรมชาติจิตจะเกิดความเบิกบานปลื้มปีติก็ตรงนี้หละครับให้น้อมอธิษฐานขอให้กลิ่นกายคุณดีขึ้นคือถ้าจะเหม็นก็ให้เหม็นตามธรรมชาติเหมือนมนุษย์มนาเขาหน่อยอย่าได้เหม็นฉุนเฉียวผิดปกติเป็นที่น่ารังเกียจเลยหากกรรมเก่าของคุณไม่หนักหนาสาหันัก ทำบุญเกี่ยวกับกลิ่นติดกันทุกวันให้ได้สักเดือนเดียวคงจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและในที่สุดเมื่อตั้งจิตคิดรักษาศีลห้าโดยย่นย่อคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยหรือเพชฌฆาตกับทั้งไม่เบียดเบียนตนด้วยเครื่องมือเมาใดๆหากรักษาศีลได้สะอา จ, จริงตามตั้งใจสักสามเดือนก็อาจได้พลังบุญจากศีล มาเป็นตัวตั้งให้อธิษฐานเกี่ยวกับกลิ่นกายได้เหมือนกันครับหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมเรื่องเกี่ยวกับทูบสักเล็กน้อยนะครับเพราะปัจจุบันเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าทูบส่วนใหญ่ก่อสารพิษก่อมเมร็งและทำให้คนที่สูดดมเข้าไปเป็นโรคได้ดังนั้นของหอมที่ถวายอาจจะเป็นดอกไม้หอมหรือน้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติบริสุทธิ์เช่น สเปรย์ยูคาลิปตัสหรือสเปรย์ต่างๆที่ทำจากธรรมชาติก็ได้นะครับน่าจะมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าทู่ซึ่งปัจจุบันหลายวัดก็เลิกจุดกันแล้วนะครับ